ให้อพันขเขามั่นคงก็เปิดโอกเยเ้เเทาทีให้โมเสกเลือกทิกดาเจคนคนหนึ่งกันไดสาราเป็นเป็นลูกคนโตผมว่าฉากนี้จากเกี่ยวภาราสีที่มีศิลปะโดยที่แทนที่จะให้โมเสกเกี่ยวสารากานสาราเกี่ยวโมเสพโมเสกมันมันกินถึงจพะพป็นูเจ้ า, จากนันอีกสำคน เราได้เปิดใว่าพวกเราชนเผ่าไม่ถือความรักเป็นศิลปะเป็นชีวิตคมคายนะชีวิตมันก็เงใครต้องทำให้ตอนภุงสั์กระไรลไม่็ใช่ว่าเป็นศิลปะที่หวานจจนเชื่อม้วนได้เง น, นเลยซึ่งสมัยนี้อาจจะเดินสวนทางนึงคว่าความรักเป็นศิลปะ การที่ทั้งคู่ไปงานราตรีสโมสรก็ปัญญาก็เป็นหน้าต่างสางมีเป็นชิ้นส่วนศิลปาที่ที่เป็นหน้าต่างสางมีพูดเนชาวบ้านไปอวดกันป <c oughs> ัญญาใครสวยสามีใครห ล, อลออ่อลอะไรเงี้ยหรอเนียมหน้าอะไรยงนั้นชีวิตเป็นสิลปะสำหรับชมเผ่าคนที่ไม่เจริญ ม, มากมายนักนะฮะเท่ก้อนในกาลูซน ถือความรักเป็นชื่อชีวิตกรหม่อมการอยู่กินกันเลี้ยงสัตว์กันร่วมเป็นร่วมตายตลอดไปไม่ว่าลูกโมนมพันจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามไปข้อแตกต่างนี้จะกลับกันถ้าถือว่าศิลปะโดยรอดฐานวัาําคีรีโบราณมานาขอดุดที่หน้าตาไม่สวย เอาประโยชน์ี้แรงกิ่นเลยถึงศิลปะทํางามเป็นหลักแต่คนตัวนอกไม่เป็นอย่างลูกออกมาตาบอกก็เลี้ยงเันจนจนตายไปข้างหนึ่งทีนี้มาท่อนที่สองสารา่าก็บอกว่าแขนของข้าไม่ขาวนะก็จูงแขนไม่ดีเดราะก็เลี้ยงสัตว์ด้ยวยกันแต่แต่แข็งแรงใช้งานได้เป็นเป็น คำเลี่ยวๆนี่ที่น่าสนใจแั้วก็บอกว่าปากของเขาไม่หอมนะไม่เหมือนสาวอิบแต่พูดคำสัตว์มีอะไรที่คมคายนะแล้วก็ถึงที่นี่ไม่ได้ท้องพะโลงของฟาโรแต่มีพุ่งยาให้ลูกๆวิ่งเล่นได้ที่คำเลี้ยวฟาราสีของตาร้า โมเสสบอกว่าถ้างั้นเจ้าจะได้ดัวใจที่ว่างเปล่าของข้าเพาเ <c oughs> รื่อง <c oughs> นี้ใช้นับราชการอยู่ที่ฟิลิปสทั้ง300บทพ่อดีา้างว่ททอนะไอางเีม่แนต้มีได้ใบบรรยายเลยว่าทำงานเสียงไงเสียงไม่ด้อยครับมือไม่มีกำลังเสียงด้อยของตัวร ตัวที่ามสีเริ่มเ่มเล็กลงแล้วท่ให <c oughs> ้ใจสมูรณ์เบบด้วยคอมพิวเตอร์อะไรอางเงี้ยแต่แต <c oughs> ่ทงทีมั น, มนจิ้มใช่ไหม <c oughs> มันก็เดินอการยืนด้วยีงยังังยังังยังยังยังยังยังยงังยงยังยังยังั <c oughs> ังยังยังยังยังยังยังงยังยยังงยังยังยังยังงยังยังังยังยงยังยังงยััออยั ตานจะก็ะทำผแล้วจะเขียนบสเียนใหม่หชะคงช่วงนี้ยังยเขียไม่ได้ครับานผ้อาวุโสทเดชก็ไม่ได้ัการอเอสีอ่สที่กำลังทำอยู่ก็เกิดจากการคุยเหมือนเหมือนไปคุยนะาาึ่เอมื่อก่อนเมื่อกก็เดียวจโทรบอกว่าออกเลยรวมตายชีวิตเข้ามาลินนี่ไงจำไม่ได้นะ เป็นเนืกเกี่ยวกัะไรครับ น, น, น, นีอ้อหาสอเร่องนั้นอ่าเป็นเทปที่ถอดจากทาาเทปในรายการพ่อานานางไม่ยัมค่ะนางไม่ยอมค่ะเปสองปียังสองปีที่ะเชิญคือลงพเตียนได้ได้บางๆแล้วก็คุณหมออะไรที่อยู่ที่อเมริกาะคะ่ะ คนเสียงถึงนักเรียแล้วก็แล้วหงสแล้วหมก็พูดถึงอากาศาเป็นที่ทให้กสังกเียโที่ไม่ยุตเป็นรคู่เรื่องครับไม่ทราบความหมายอันนี้แต่ว่าก็มีคนคุ้นเคยมีเพื่อนอะไรเรืองคู่คืออะไรคมหมีวีทเปเรื่องฝง เคยอ่านมาแลก็ได้นาะผมเองชอบเรื่องนี้กอาจารย์เดินเล่นกันอยู่ก็กราบสนชื่นก็สิธก็คุ้มธรรมะน่ะสมโชคดีจริงๆที่ได้เป็นสิติอาจารย์คงหกล้มอาจารย์ขึ้พยุงมือขึ้นแต่ไม่ไดนะ้หมายถึงนี้นะหมายถึงภาวะไป ชั้นอ่านบอกว่าชัา้นก็รู้สึกเป็นสุขที่มีเธอมาปฏิบัติอยู่ด้วยมื่อมือขาวช้นโน้มอย่างน้อยเธอยืนดูอยู่คนนึงจับประเด็ได้ไหมครับโอค้คือตัวอาจารย์ไม่หวังเครื่องไกแล้วครับแต่ว่าการมีคนยืนเป็นเพื่อนอย่านี้มันดีเมื่อเวลาเราตายนะครับไม่มีใครช่วยเราได้แต่การมีเพื่อนยืน เรื่อกระบวนการดำรงอยู่ของมนุษย์ต้องเกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์ทั้งภายนอกและภายในลตลอดเวลาผมสงสัยว่าสมมติว่าคนหลบนีไปอยู่นอนเมื่อได้สัมพันธ์กับมนุษย์นะครความเป็นมนุษย์ของเขาจะยังอยู่หรือเปล่า<ม>น่าสงสยัยเรืองการที่เรามีคู่แง่มุมหนึ่งก็คือการเตือนให้เราเป็นมนุษย์ ที่อยู่กับมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์จะอยู่ถ้ำคนเดียวแล้วแต่นี่ผมว่าเป็นนะกลับไปทํางานมันก็อยู่ทถ้เข้าห้องตัวเองวัวยู่ไรความเป็นมนุษย์ไม่ไม่ไม่อมาตารับมนุษย์เป็นมะต า, าพตายได้มันประไมยหนึ่งไนงะความเป็นมนุษย์ด้นนของเขาเนี่ยอาจจะตายนะลดลงลดลงก็ได้ไนงะลดลงลดลง เป็นปลาเป็นปลาเป็นสอดคือพืดไปเือยๆในนะการมีคู่นแง่นี้นั้นเป็นการกระตุ้นให้เรารับรู้แล้วอนุโทนาต่อความเป็นมนุษย์ที่ดีองเราด้วยไม่รู้จะเชื่อมโยงการทะลอะบาแวง้งสงครามกับความเป็นมนุษย์ยังไงแล้วก็มีเวศนเนถะิดเน ไม่รู้คนทำหรือจะเคารพความเป็นมนยดีหรือเปล่าแต่ถ้าเขาลักลูกลักเมียนะมันจะส่งผลไปสู่การกระทำทาง น, น, นิติธรรนและการเราลักลักลูกลักภรรยาลักทำอก็ก็เป็นเครื่องเตือนว่าคนอื่นก็กลักเหมือนกันคนอื่นก็าก็ไม่ต้อแตกต่างอย่างเรา เ น, นความรักความสำเร็จในครอบครัวน่าจะเป็นดัชนีที่บ่งกระบวนการสำเร็จภาพของของโลกได้ <S <S เราจะรับความเป็นมนุษย์ของเราได้อย่างไงถ้าเราไม่เข้าไปเกี่ยวข้ อ, ของในมนุษย์เราก็ต้องคำถาวมว่าเกิดอะไรขึ้นนะความรักได้แปลเปลี่ยนเป็นความทุกความเศร้าแ้ากลายเป็นความเครียด อาจเป็นไปได้ถึงนั้นนะะพรหลายคู่ข้าแดงตามที่เรารู้อยู่ช่วงนี้ด้วยนะมันพิสูจดอย่างหนึ่งวนะ่าการรากษาทั้งนั้นไม่มีผลต่อการยับยัง้งการชนาพายนี้ได้เลยนะอย่างน้อยกรณีนี้ก็คงไม่ใช่กรณีสองกรณีคนะงวอาทั่วโลกมันเป็นอย่างนั้น คิกกัได้ยังไงน่ า, น, าน่าคุยเยันค่นค่นที่ติดอยู่ในติดเนเยอะนะครับที่เหมือโบอกขึ้นมากนะระโดดกระโดดลงมาหนีไปไหมอนะติดกัน้ถึงเ่ถึงนนะ้น้เข้า้ไปข้างบนนั้นมีรานหอับสะาพานเนี่ยลงไปเนาบาเ ที่โป่งมาคือวมจะถึงยอดถึงอีกชั้นเดียวถึงยอดหนเป็นพัฒราาที่ลูกกบร้อยคนนนก็เป็นความยึดในอัตลกบางอย่างที่เราเห็นภาพเด็กๆที่ดีใจแต่บาเทในแง่น่าอาจ ถูกกดดันโดนทำร้ายโดนเอาเปลี่ยนไปจากสหรัฐมาเนี้ยวันนี้เขาจอเตีเขาหมอกฆาวันนี้คือสหรัฐแหละไม่ใช่ใครที่อยู่ในนั้นกำลังลทำสงครามเพื่อเอาผู้เป็นเจ้าจะมีกิจกรรมและนภาวนาอะรนี ช่วโมงนึงเขามีครับลงกต้อก็ไ ม, ไม่ไม่ได้จับยคับเพราะว่าผมผมบรรยายในชั่วโมงไม่ได้ที่มีหมายกำหนดเวลาคุยงี้คุยคุตนมาก็กเงียบเพือไปทตักสินใจอย่างทาง คำพูดอะไรมันเชื่องช้าลงพอถูกถามาถาามันหาคำตอบกบปรากฏนะแต่ตอนที่มันกระทำให้เป็นลูกกระเป็นเสียงมันช้ามากทั้งระบบอะไเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างเดียวเนปักษสว่างีช้ากว่ปกติปกติเราถ้าสุขภาพทางด้านระบบประสาทปกติก็ ผมเอจปต ร, ปรด้กันมีตรงทิ้นชน่วงครับมมีการสื่อความหมายความแปลกเีือได้ความรู้ดีไม่ได้เกี่ยวกับโรคต่ำลุกมาอนะรนเป็นระบบกระจายเป็นกรได้ยครับเพราะว่าผู้ายยุ่มากนะครับเป็นทุกคนอย่างนี้พ่อผมก็เป็นหมอคนหนึ่งเขาคุยออกนอกเรื่องเยอะ อของคุณแมคคิวเขาพ่งมเยียผมแค่เป็นหนึ่งในสิบของบอร์ดภาคปล่าบอกใหรู้ผมรู้โลกเใจกันเป็นทรงข่าวบอกวาเขาแสดงความยินดีด้วยพราะต่อไปนี้อายุจะยาวกว่าปกติเป็นสิบปีเพราะเริ่มดูแลตัวเองเป็นมาเขาพูดเล่นแต่ว่เรื่องจริงเรื่องจริงปกติคนเรา สภาพสุขภาพที่เลืกลงไปจไม่ดูแลเลยมอดูแลมาทำนึกจะกินอะไรนึกจะทำอะไรเพิมพูนอุปสรรคขึ้นจะไม่รู้ตัวที น, นอ่ะแต่พอรู้ว่าเป็นนี่มันมนเริ่มกระบวนการดูแลด้วยสาเห็นเป็นต้ออะไรไม่รู้เนี่ยพอยี่สปีที่แล้วผมกินอาหารถุงนี้ลเลยคือข้างเขาคิดว่าตัวเองสุขภาพดี วัดจากความแข็งแรงนี่นี่เป็นไม่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงพอโลกว่างนี้มันสอดสมถึงจุดหนึ่งมันพังเลยก็คิดว่าตัวเองแข็งแรงดีนะฮะเพราะไม่รู้สึกเหนื่อยทำอะไรเนี่ยทีนี้ขวากขยาดก็เหนเลยนะครับเพราะคนขายเขาก็คงไม่มีเวลาที่จะปรับปรุงอะไรมากมายนะแต่ส่งก็ยังดีกว่าเป็น อาหารสองบวกมาม้าบอ ก, กอะไระอีนนี้สะสมอยู่กี่ปีว่าอีกทานทุกวันเลยนะเอาอยู่หอด้วยเขากลับไปตอนคืนก็ตอเิกตอนเลิเลกก็เลิกเด็กทานเลยไดทานมาโเคแล้นี้สามปีกว่าลูกประเลินบ้างลูก่อนตัขึ้นเป็นตัวของตัวเองต้นควั น, นะค่ะขึแล้วหน คือเด็กนะคะต้องมีถามทำไมทำไมทำไมอะไรเราลองเป็นเด็กเมืองให้เด็กดอยกันไหมจำไว้เลยว่าลูกเพียงนะลูกโตนะอย่าโมโหก็เด็กจะรู้สึกเขาโตอยู่ตอดเวลาแล้วบางาก็จะมีเขามีชีวิตของเขาอยู่แล้วเพียงแสดงเขามีเหตุผลของเขา เ ร, เรื่องที่ไดเนเรื่องที่ได้เรียนรู้แม่เ็นว่เนาเป็นเรื่องที่ เ, เห็นความทุกข์ที่สุดนในบรรดา ก, การใช้ชีวิตทั้งหมดทุกอ่แล้วก็และในขณะเดียวกันมันก็มีความสุขเองความสุขความทุก <c oughs> ไมเหมอนกเรียนรู้ความเป็นแม่เด็กน่ารักโดยทั่วไปแต่ถหน้าท้ำตองก็ตอนเขาดื้อนะ ก็เตรียมเตรียมรับเตรมรับเหมือนเรานะคะกับพ่อแม่เด็กกรดึ๊กจะตายกันได้ไตอนตอนเอนเด็กๆหรืปว่าตอนี้เดกโตตอนเด็กไม่ดื้อละตอนเด็กเด็กที่ตอนพ่อแม่ตื่นเชาอะไรเป็นตอนโตเนี่ยน่ารักตอนยันอตอนตอนอยู่ถึงลมพูดแต่ว่าอะไรจะรอผู้สานในอิตาลเด็กน่ารักคนละเดียนสาม เด็กหน้าทางว่ารา้อยเห็ดฝเขาเขาไม่มีเห็ดฝมากๆเวล า, าก็ดื้อมีหลานสาวลูกของหนูหนูมีลูกของใครลูกมีหนูโได้ยังไงจ๊ะโตสีต่ห้าขวบได้คุณว่ามี่อนเก็บเขาชื่อเพิร์นแม่แม่ก็ตั้งเพิร์นยัถามว่าอยากได้อะไรบาก เราอยากได้ไข <laughs> ่ม <wygląda Tiffany> ุกผมทำไงนีไข่มุกเยอะจังพันเลยทำไมรู้จักไข่มุกชื่อเขาชื่อเขาเพิงพ่อเจอไข่มุกแม่ก็คุณบอกบอกว่าเจอไข่มุกผมเลยซื้อไข่มุกเทียมมาเลยแล้วก็นั่งอธิบายฟังนไม่ใช่ไข่มุกนะไม่ไข่มุกเทียมโตขึ้นมีเงินค่อยซื้อของจริงเราก็ได้ดูเขาจะไม่ก็พอลย เขอยากได้ของจริงนี่ไเขาอยากได้ของจริงเมื่อสงคืนก่อนโทรไปถามว่าอยากได้อะไรเที่ยนี้เขายอมว่าขัดมุกแตยังไม่ได้ไตอนรู้สึกว่ายังไม่ได้ไปเปิดร้านที่หอจัด อ, อยู่ในนอร์ไลน์ปีก็เมื่อกลางน้ำท่วมหมดทีหมดเนื้อหมดตัวที ร้านก็อยู่ริมคลองโอตะเผาด้วยคนะเปิดจ่าเขาสู้เป็นคนมีทรัพย์สมบัติเขาทั้งคนแล้วสาวไม่เป็นเขาเขาก็อยู่เปิดร้านดูที่ดื่มนะเบียร์เย็นร้านขายจขายเข า, ยาเรียกอะไรนะผับอ๋อเไรนะไม่นะ <laughs> เปิดผับนะ แันว่าดลูกด้วยรับวาดลูกนะนครับทันท่าเรียนดีไซน์ออกแบบอะไรตอนเจ้าท่าเลยอะไรแบบแต่ไม่ไม่ได้ทำอาชีพเลยอ๋ออ๋อนี่นี่นี่ครับชีวิตผู้คนก็มาอยู่อาจารย์บทชีวิตผู้คนอะไรๆทัก็มาอยู่ที่อาจารย์กันมาคลองเม่นก็จะหมายความว่าอาจารย์ไม่รับรู้แล้วก็ไม่มี ได้เห็นคามเปลี่ยนแปลงการเติบโตมันชิงอยู่ที่ตัวอาจารย์ก็พันุ์คูนโูนนี้นะฮะคนะแก่ทุกคนมนเรื่องราวุนแล้วรุนเล่าพันธุนอนดีอยางไงคือมีเรื่องมากแตนเรื่องมากก็เสียอย่างผมเพิ่งทำความรู้ใจยังง่ายงมดีว่าไม่ไม่ควรจะเสียเสียเวลาต้อการรับรู้รับฟังในสิงก็ ควจะหมุนความรอบรู้อะไรนี่ไปสู่สิ่งมันงอกงามได้มากกว่าที่น่อนนี้ผขไม่มีคนแนะเลยนะอ่านหนังสือดีๆจะอ่านลุยวเว่ยเลือกจะอ่านว่าอ่านแล้วทันที่จะเป็นประโยชน์กลับเป็นโทษเลยเรอสู้อ่านหนังสือต้องเริ่มบ่อแต่หนที่ดีคือแร้ลูกแร้ลายเกียนหนังือที่ดีๆไว้เลื่มของเล่มข อ, องก็อ่านละ ต้ ง, งน่นักศึนักตั้งนักศึกษโป้ยังงานซึ่งซึ่งไม่ไม่เพียงเสียเวลามันมันทำให้จิตใจโลดชินไม่มีประโยชน์จำชินไม่มีประโยชน์นั่นก็เป็นมวลภาวะอีกด้านหนึ่งปัดปีันแล้วครับตอนดนี้นถ้าอาจารย์จะแนะนำเด็ครุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ให้อ่านให้ื่ได้ในานนี้ผมอาจจะไม่ทาสมัย น, นักนะฮะแต่อยากจะแนะนำมหาลัย คิดดูแล้วมันไม่มีประโยชน์ในทางเศรษฐกิจอะไรเลยแต่มันปลุกไอ้ความกล้าหาญความความเป็นวีีรชนในวัรณกรรมคิดดูแลแ้วมันก็มีประโยชนย์่ความงามของภาษาและจินตนาการทั้งหมดเนี่นนยเพราเรารู้ดีว่าความฉลอดความสมองความรู้จักแก้ัญหาด้านเศรษฐกิจ กมืง อ, อะไรนี่ถ้าไม่มีจินตนาการที่งดงามแล้วก็มันก็เป็นเหมือนที่ที่เป็นนี่คนระับผมเดให้เด็กา่านไบเบลิลนกอกนี้ก็ทบททำบทนั้นพาสิอาจจะดูย่อๆสำหรับเด็ ก, ดกแต่ทำทำบทประเด็จคือเขาเอาเรื่องย่อเรื่องมาด้วยนะพระเจ้าพูดกับใครที่ไหนเดินทางไปที่ไหนแล้วก็ แม้จะสลับซับซ้อนด้วยเนื้อหาหาด้านของมหาปิากัยรวมทั้งวรรณกรรมวรรณศิลป์วรรณกรรมมันสายเลือดเลยนะเะว่าก็เหมือนที่พูดกันแล้วว่าตอนเราเรียนถึังครูไม่ครูไม่ได้แม้ตลอดครูเองก็ไม่รู้ค่าของไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างอะไรนะครับนอกจากคิดเลข คิดเล็กในใจคิดสำพังความเฉลียวฉลาดาของหมอเงาผอมหัวใจที่ออนโยนต่อสิ่งดเีเข้าถึงเข้าใจความไพเราะของไม่เพียงแต่เสียงน้ตเสียงป่งายขานหรือเสียงรีก็ต้องฝึกหัวใจเขาให้ใหใหเกี่ยวพันกัสิ่งนี้นะครับทรบซึ้งในสิ่งนี้ได้ จิ้มจะพอครับขอบุนักอุดามคำก็ดีนักเกิดตายก็ดีหรือแม้ประชาชนตัวปอยในเรื่อต้อยพัฒนาคิดว่าสิ่งนี้ไม่สำคัญเงินน้คกำกว่าตารถูกฟังให้จิตใจของเด็กฟังเสียงนกเป็นฟังมันรีเป็นจิตใจก็จะงอกงามขึ้นแล้วก็ จะหยุดยั้งให้คนร่าความรุนแรงที่จากต้นตอมาเลยพอความรุนแรงเริ่มเริ่ ม, รมตรงความคิดข้างในเริ่มพยาบาทขึ้นมาพยาบาทซาบดินแปล ว, ว่าความปราถนาความวินาศของศัตว์พยาทานี้แปลว่าย่ ว, วยพยาบาทอยากเป็นเพื่อนจังหวะจังึ่งซึ่งดยนี้อาจเป็นคำเชื่อของของผู้คนเลย ใครทุยยนยงอะไรแบน้คนลมรัฐทิกีดกันในป่าระบากทั่วกนะีดกันความอยู่ท่าสุขของสั์ของคนนะเพราะว่าโครงสร้างของของคมมันมันแข่งกนะันแต่มันอยากให้ฝ่ายคู่อริพังกินหกักหรือเป็นผนัสำเร็จแล้นะนะนะวมันว่าทำมบริษัทมนีล่มจงไดนะ้เป็นฝีมือ จา ก, กที่อาจารย์มาถึงข่าวมาที่อกกเออมันสือที่ตะพันยอย่างวิจิตรอลังการแล้วก็อยู่คู่กับควบคู่กับสังคมมนุษยชาติมาตลอแล้วลมันจะอยู่เรื่อยๆเนียเด็กกี่รุ่นกี่รุ่ถ้าไม่ถูกกีดกันจากระบบการศึกษาที่จับสอนมาโดยเจ้าพ mm ่อ hmm. เนี่ว่าจะการเมืองไทยมีอะไรชด ท่งเที่ยวอะนเลยคือมันจะเปิดจิตใจใเด็กใ ห, ให้ให้รู้โลกอย่างกว้างขวางแล้วก็ในการต่อสู้มีอะไตัหลันั้นแฝงด้วยคุณธรรมของกล้าหารคนศมเฉีลดถูกแล้วมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นโน้นนี่นั่นนะเป็นเรื่องเป็นแต่มันถูกประพัน์อย่างปรานะีตเหมือนวัดที่สร้างโบสถ์ชุวยๆกับวัดที่สร้างโบสถ์อย่างชนิด เต็มเปลี่ยนด้วยศรัทธานะครับแล้วก็คนมักจะโดยฉบับนี้เข้าใจว่ามหากาพเป็นหนังสือีอ่านยากตรงมันข้ามเลยผมไปเข้าด้วยผคิดว่าไบเบิลนี่อ่านยากปรากฏว่าเป็นภาษาอังกฤษที่ ง, ง่ายที่สุดเพราะจุดประสงค์ของผู้ผู้แปลนะจากภาษาเดิมมาเป็นภอังกฤษต้องการใหเข้าถึงมวลชนเป็นภาษาง่ายอมอ่นด้ความเพลิดเพลิน เพราะว่าเราต้องรู้ว่ในกระแสะทางของอารธรรมของมวลมนุษย์นี่มหาบุรุษเกิดขึ้นแล้วในดีตแล้มีคนงานถอดมาอยู่ปัจจุบันเราไม่แน่ใจนะว่าปัจจุบันจะสิืบทอดตัวนั้นก็ได้หรือไม่แต่ที่แน่คืออดีตที่เคยรู่เรืองของมนุษย์นะั้นสืบมาจนเราได้ผ่านทางวรรณกรรมหลักทีนี้มีกี่เรื่องก็ได้